ดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่ะดิฉันสันสนีนาคพงศ์นะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนาทางสถานีวิทยุ f m ฟเอวิทยุครอบครัวข่าวและก็สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีกร้อยแห่งดิฉันเอง <c oughs> เมื่อไม่กี่วันได้มีโอกาสโทรศัพท์พูดคุยกับพี่น้องประชาชนซึ่งดิฉันเคยเป็นนักการเมืองอยู่ในพื้นที่ในเขตประเวศก็จะมี พี่น้องมุสลิมอยู่ด้วยนะคะปรับปลื้มใจมากที่ว่าทั้งที่ท่านนับถือศาสนาอิสลามท่านบอกว่าซ ส, อ ส, อสอฟังรายการเป็นประจําเลยนะชอบฟังก็ดีใจนะคะเพราะดิฉันเชื่อว่าในสิ่งที่นําเอามาพูดเอามาบอกกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีพิษมีภัย <c oughs> นอกจากนั้นล้ําค่านะคะเพราะว่าเป็นพระธรรมซึ่งเป็นสัจจะความจริงที่อยู่บนโลกใบนี้ แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นส่งคนพบความจริงบนโลกใหบนี้ไม่ได้มีปราการกั้นโดยขอบเขตของศาสนาใดนะคะความจริงก็คือความจริงค่ะและสําหรับในวันนี้ดิฉันเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมข่าวช่วงปลายปีเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะแล้วก็บางทีก็เป็นข่าวที่อาจจะทําให้จิตตกอาจจะทําให้เกิดความกังวลหรือบางทีก็เกิดความสงสัย ในมุมอื่นๆสื่อมวลชนอื่นๆรายการอื่นๆทําหน้าที่ไปแล้วรายการนี้เรามีแกนหลักของรายการชัดเจนที่เรียกว่าเป็นคอนเซปต์ของรายการ น, น, นะคะอย่างชัดเจนว่าเราจะนําเสนอหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นหลักการที่จากการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ย เชื่อว่าถูกต้องตรงจริงเพราะพยายามคัดกรองในสิ่งที่มั่นใจว่าออกมาจากพระโอษฐขององค์นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นเนี่ยก็ส่งให้ความสําคัญกับเรื่องของการที่ให้ยึดอยู่ในสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเพราะว่าใช้ปัญญาอันยิ่งคือเกิดจากการทำสมาธิชั้นสูงนะคะก่อนที่จะตรัดอะไรเพื่อมาเป็นบัญญัติสําหรับพวกเราในยุคหลังๆทั้งธรรมและวินยัยกันต่อมาเนี่ยคะ่ะ เรื่องที่ที่ฉันสนใจในวันนี้เป็นข่าวเรื่องของวัดเซ้าหลินพอพูดถึงเซ้าหลินปุ๊บในทุกคนคิดถึงภาพที่พระจีนนะคะกระฉับกระเฉงมีลีลาของการต่อสู้ในลักษณะที่เรียกกันว่ากังฟูซึ่งหลือลั่นไปทั้งโลกใช่ละคะ่ะเป็นวัดนี้แน่นอนข่าวออกมาเขาบอกว่าวัดเซ้าหลินที่มีการสอนวิทยายุทธกังฟูนะคะ <c oughs> ก็กาลัง เขาใช้คำว่าอย่างนี้เลยนะคะหลวงจีนหนีทุนนิยมไม่พน้นเตรียมลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อขยายธุรกิจท่องเที่ยวอันนี้เป็นข่าวที่สนักข่าวใหญ่แห่งชาติของอังกฤษค่ะ B B C นะคะก็เป็นคนนำเสนอข่าวบอกว่าจะลงทุน5้าร้อยล้านบาทเราหรือว่าประมาณร้อยล้านหยวนจีนภายใต้แบรนด์เนมคือชื่อของเขาเซาลินนะคะเพื่อนาเงินไปจัดงานภาคบริการต่างๆเช่น เอาเงินที่ได้จากรายได้นี่นะคะไปจัดทําระบบของการขายตัว๋วเข้าชมวัดสร้างรถเคลื่อนที่โดยการใช้สายเคเบิลหรือที่เราเรียกกันว่าเคเบิลคาร์นะคะแล้วก็สร้างโรงภาพยนตร์โรงแรงรถโดยสารสําหรับนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นส่วนที่เขาบอกว่าวัดจะเอาเงินไปลงทุนแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าทางการท่องเที่ยวของจีนก็มีแผนขยายกิจการร่วมทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยเอากิจการของวัดไปร่วมทุน มีจุดมุ่งหมายในการขายหุ้นให้แก่ผู้ร่วมลงทุนจากฮ่องกงหรือจีนในมูลค่าของหุ้นที่สูงถึง 5,000 ล้านบาทคนที่เป็นหูเรี่ยวหัวแรงใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้มาตั้งแต่ปีพันเแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ที่พยายามสร้างแบรนด์ในทางการตลาดเนี่ยนะคะการสร้างชื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ติดตลาดเนี่ยเขถือว่าใครทําได้ประสบความสําเร็จในธุรกิจก็จะยั่งยืนยาวนานต่อไปเจ้าอาวาสองค์นี้ ก็ทําหน้าที่นี้เป็นหลักแล้วท่านก็ยังได้ไปเป็นผู้อานวยการสร้างหนังเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แบรนด์ของท่านคือวัดเศร้าหลินเนี่ยโดยใช้บรรยากาศของเส้าหลินเป็นฉากด้วยดิ mm hmm. ฉันสนใจว่าเอ๊ะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเศร้าหลินนี่เป็นวัดที่นับถือศาสนาพุทธหรือไม่อย่างไรแล้วก็มีประเด็นคําถามซึ่งเดี๋ยวจะไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ภยบูลุญอภิปุลโนในช่วงถามโลกตอบธรรมค่ะถามโลกตอบธรรม ฝั่งที่ครกค่ะท่านกาลังฟังรายการสันสนิษฐานาดิฉันสันสนีนฐาคพงศ์ดำเนินรายการขอนําท่านนมัสการพระคุณเจ้าพระภัยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศ <c oughs> จังหวัดอุดรธา น, นีนะคะนมาสการค่ะท่านคะอาจารย์พรอาจารย์คะวัดเอ้าหลินเป็นวัดพุทธไหมคะต้องไปถามท่านนะเอาหรอคะต้องต้องถามท่านว่าเออท่านมีแตผู้ใดเป็นศาสดาท่านถือคำสอนของใครออปัญญาว่า ท่านมีถือคำสอนของสมณะโคโดมอ่าก็ต้องดูว่าท่านทำอะไรใช่ไหมท่านปฏิบัติตามคำสัอนของสมณะโคโดมหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่ชัดเจนก็อาละมาไม่ทราบข้อมูลนี้ข้อมูลตามทีนี้พระทา่เก็พูดอย่างนี้แหละอย่างที่ว่าถ้ามีใครมาถามเธอว่าเธอเป็นสมณะหรือเปล่าเธอก็ปฏิญาณเป็นสมณะดังนั้นเธอต้องมีปรตศมเหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้เหล่านั้นเหล่านั้นเหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรก็คือมีสีใช่ไหมไม่ฆ่าศาสตร์ ไม่รับทรัพย์ไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเบสิคเรื่องเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วออีกประการหนึ่งก็คือไม่หาเลี้ยงชีพโดยวิธีที่เป็ น, นมิจฉาอาชีวะต้องเบียดเบียนคนนั้นคนนี้พูดจาล่อลวงอหรือการการะทำที่เอาราบน้อยต่อราบมากอันนี้ก็เป็นวิจาอาชีวะก็ไม่ทําแล้วก็ออ่่าาท่านมีความเพียนเผากิเลสทําการเครื่องขุดกราวลุบกล่าถ้าท่านทําก็เป็นคุณธรรมลักษณะเดียวกัน ว่าที่แน่ๆคือพ่สุทธิ์ถ้าปฏิญญาณแล้วเนี่ยว่าเอาเป็นพิสุทธิ์สงในธรรมะวินัยนี้เนี่ยเราก็ต้องสามารถขี่การเมียแล้ก็ต้องคอยเตือนคอยบอกคอยสอนส่วนเรื่องนิกายเนี่ยคือตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีนิกายมาก่อนค่ะไม่ได้แบ่งว่าเป็นมหายานเทรวาสหรือวัชิรยานธรรมยุทธ์หรือว่ามหานิกายอะไรต่างๆไม่มีเพราะทุกคนนับถือรพระุทธเจ้าองค์เดียวกันหมดค่ะเพราะฉะนั้น ถ้าเรามายึดหลักพุทธวจนะเนี่ยทุกท่านปฏิบัติตามศีอย่างนี้อย่างนี้นะมีประบวนการวิธีการใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างที่พระเจ้าบัญญัติเอาก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องมีการแบ่งแยกใดๆก็จะเป็นการดีค่ะเพราะว่าถ้าอาจารย์กำลังจะคิดต่อไปเหมือนกับว่าอาจจะอยู่ในาศาสนาพุทธเช่นเดียวกันแต่ว่าคนละนิกายกับเราคนละนิกายเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติไงค่ะ เข้ค่ะแต่กําลังจะกลับเรียนถามท่านว่าก็ได้ยินว่าอย่างมีการพูดเหมือนกันว่าศาสนาพุทธในประเทศไทยก็เป็นอีกนิกายหนึ่งคือเขาเรียกนิกายเถรวาทใช่ไหมคะใช่เขาก็คือนักวิชาการรุ่นหลังต่างหากประมาณร้อปีที่ผ่านมาเนี่ยนักวิชาการรุ่นหลังเนี่ยมันหยาดกันมาอ๋อถ้าเธอประพฤติปฏิบัติอย่างนี้นะเราจะเรียกเธอว่าเถรวาทถ้าเธอประพฤติปฏิบัติแบบนั้นนะเราจะเรียกเธอว่ามหาญาตค่ะแต่เนื่องจากว่า ในการเรามุ่งเน้นหลักการพุทธวจะนะเราก็จึงกําลังเกาะหลักไหคะตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะถามหาหลักการอาจารย์ครั้งนั้นอีกครั้งในงเมื่อกี้ได้ไปหลักหนึ่งแล้วว่าถ้าตามพุทธการสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหนึ่งเดียวไม่มี <ๆ S 1> นิกายนะคะทีนี้ก็เลยอยากกราบเรียนถามว่าภาพยึด ตามคําสอนของพระพุทธองค์ในแนวทางที่ท่าอาจารย์สนใจศึกษาอยู่คือพุทธวจนะจากพุทธโอษนี่นนะคะ uh huh. การดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกับข่าวคือเรื่ตัดตอนไปแล้วเราจะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์วัดเศร้าหลินดังกล่าวนั้น uh huh. เพราะเราไม่ทราบข้อเท็จจริงเขา uh huh. แต่เรากําลังจะสมมุติขึ้นมาว่าถ้าหากเป็นครั้งพุทธกาลเนี่ยการดําเนินกิจกา ร, รในลักษณะนี้เป็นไปได้ไหมคะ uh huh. ถูกทำถูกวินัยไหมคะ uh huh. มีมีประเด็นหนึ่งที่อาจะรย์มาอยากจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องวัชรินดิดหนึ่งนะ<ถ>คือว่าสมัยที่พระเจ้าหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยก็มีศาสนาอยู่แล้วถึงาาหกสิบสองศาสนาและมีทิฏฐิต่างๆมากมายเป็นหมดเลยในอินเดียพระเจ้าเนี่ยก็มันคิดว่าเอ๊้เราเนี่ยบวตมาเนี่ไม่ได้เป็นจะจะเป็นเจ้าลัทธิแต่ว่าไม่ว่าเธอจะมีทิฏฐิแบบไหนนะหรือศาสนาอะไรเนี่ยก็ต้องมีภาษาเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนามีเวทนาก็มีความทุกข์เนี่ยทุก ทุกทั้งหมดรวมลงที่เวทนาแม่ ว, ว่าเธอจะคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีเนี่ยก็มีภาษาจะคิดว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีก็มีภาษาเพราะอย่ามีปัญหามากเลยเรามาแก้เวทนากันดีกว่าเรามาดับทุกดีกว่าในพระไตรปิฎกนะไม่มีคําว่าศาสนาเลยแนมะ้แต่คำเดียวมีแต่คําว่าธรรมและวินะัยแต่เพราะฉะนั้นเรามาศึกษาดีกว่าว่าที่เราจะดับทุก ปัจจุบันนี่ยังไงเนี่ต้องมาแก่ต้องมาตายเนี่ยแก้ไขตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องมาแบ่งแยกว่ า, าศาสนาะนั้นนิกายนี้เหลืออะไรต่างๆทหตนี้กลับมาที่ประเด็นที่คุณิยมาศาสนาพูดถึงเรื่องการหาเลี้ยงชีพแบบเนี้ถูกหรือผิดใช่ไหมค่ะ <c oughs> ก็พระพุทธเจ้ า, าพูดไปชัดเจนว่สาสัมมาชีวะเป็นอย่างไรก็คือการละเวน้นการอประพฤติผิดนะก็คือถ้าสําหรับฆราวาสเนี่ยก็คือมีการท้าศาสตร์มีการค้ามนุษย์ค้าอาวุธ้ายยาพิษอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น สำหรัพระเนียถ้ามีการต่อลาบด้วยลาอ่ามีการพูดที่อ่าทำให้เจ็บใจจนถึงกับต้องยอมให้มีการล่อลวงมีการโกหกเหล่านี้เป็นมิจฉาชีวะหมดเพราะฉะนั้นอย่าว่าว่าคุณอ่าขายของธรรมดาหน้าร้านเลยถ้าคุณขายของหน้าร้านแล้วพูดปดนะต้องมาล่อลวงเขาใช้ของค่าน้อยต่อของค่ามา่าอันนั้นเป็นมิจฉาชีวะถึงแม้จะไม่ได้ขายมนุษย์ขายอาสากระต่อืออราะนั้นถ้าสมมุติบ่นคนเนี่ยตกลงธุรกิจว่า ไปงานนี้คุณจะต้องจ่ายให้เราหกหมื่นแต่พอถึงเวลาจ่ายจริงคุณให้เราจ่ายแปดหมื่นอย่างนี้ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะไหมคะเราเลยนี่เจตนาเขานะว่าเขาล่อลวงพยายามต่อลาบน้อยเอาของมีค่ามากหรือเปล่าคือบางทีเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> การเรียกเงินในลักษณะนี้มันเหมือนกับเขาบอกว่าอะไรนะคะผีกําลังจะเผาแล้วเหมือนเหมือนกับไม่ให้โอกาส <c oughs> คือตกลงกันไว่อย่างหนึง่งทีนี้พอมาอยู่ในงานแล้ว นะคะกำลังอยู่ในระหว่างงานยังไม่เสร็จมีการเก็บสตางค์กันเนี่ยมาเก็บเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะท่านคะ อ, อันนี้ก็ถือว่าต้อง ล, อล่อลวงสิคะเ <c oughs> พราะพูดไว้อย่างหนึ่งการ ล, อล่อลวงมันอยู่ที่ใจงไงเจตนาของเข า, าอยู่ที่ใจเพราะเราไม่ทราบว่ า, เ, าเหตุปัจจัยเขาเป็นอะไรทําให้ <c oughs> เขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ <c oughs> แต่ถ้าเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้สิ่งที่ควรมีไม่ควรมีเราต้องมีการ c o m p e n s a t เพิ่มเติม ม, มันก็คุยกันได้แต่ว่าเสตนาเขาก่อนนั้นนี้เป็นอย่างไรค่ะ <c oughs> เราต้องดูที่ตรงนั้น ดังนั้นถ้าตามพุทธวจนะแล้วเนี่ยอันนี้ดิฉันเข้าใจว่าคําถามอนนี้เราคิดว่าคนฟังนี่ก็คงอยากจะได้คําถามแบบนี้ว่าวัดเนี่ยจะทําอะไรในลักษณะอย่างนี้ได้หรือไม่นะคะเ อ, อคาค่ง่ายง่ายเออ ง, ง่ายๆคุณโณยมศาสนาลองคิดดูทําพระมาขายทําพระพุทธ ร, รูปหรือเหรียญซ้ามาขายเลยปิดไหมเออคุณก็ชาวสุขุมก็ทำกันอยู่ทั่วไปค่บท่านค่ะอัดเกตนิ้วราคาเท่านี้เท่านี้อ่าพระเหรียญรูปแบบนี้มี ลงรูปลักษ์กแบบนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้ถามมาอันนี้ถูกหรือผนะิดอ่ะมันมันพูดยากมากเพราะว่าอย่างสมมติแค่ทำแผ่นพับอย่างเงี้ยอลรมาจากงานปฏบิบทธรรมเอ้คนมาปฏิบัติแล้วดีมากเลยเราบอกงั้นคุณไปบอก่ากต่อปากให้ให้เขามาปฏิบัติก็แล้วกันน ะ, ะถ้ามีคนมาเพิ่ม เขาบอกโอมันบอกยากต้องการมีเอกสารดังนั้นเอาข้อมูลนี้ไปใส่เขาทํามาไม่ถูกต้องตามที่เราเห็นสมควรเราทําเองให้มีรูปลักษณะอย่างนี้มีข้อมูลอย่างนี้แจกออกไปต่อมามันก็ปรุงกันไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะมันอยู่ที่เจตนาของคนทํามากกว่าว่าเขาทําเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อล่อลวงอมีการเอาของค้าน้อยต่อของข้ามามากมีการพูดที่ทําให้เจ็บใจถึงต้องกับถึงกับต้องให้ หรือ <Ừ. S 2> ว่ามีการโกหกมีการพูดเพ้อเจ้ออะไรพวกนี้หรือเปล่าก็สรุปก็คือว่ามันไม่สามารถฟันธงไปได้ว่าอย่างใดทําได้อย่างใดทําไม่ได้แต่มันสามารถฟันธงได้ว่าดูที่เจตนาถูกต้องเรามีเกณฑ์การปฏิบัติอยู่แล้วว่าออย่างโกหกนะไม่พ้าของที่ไม่ควรค้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าผมว่า ถ้าเอาเข้าตลาดหุ้นเนี่ยถามว่าเอใครเป็นคนทมพระธทำหรือเปล่าพระทำไม่ได้แน่ถ้าพระไม่ทมเรามาดูต่อว่าใครเป็นคนทำคราบว่าทำใช่ไหมโอเคเขาทาได้เขาทขาทในระดับไหนเอาชื่อนี้ไปขายแบรนด์เนมนี่มันก็พูดยากกันว่าเขามีเสีย่ยงเกี่ยวข้องอะไรยังไงถ้าเอาว่าเกี่ยวข้องยังไงอะต่มาก็พูดยากเนาะค่ะก็คงจะต้องดูอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจว่าถ้าเป็นวัดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับศรัทธา นะคะมันราคาหุ้นมันจะขึ้นจะลงยังไงก็แล้วแต่สําคัญที่สุดคือศรัทธาคนที่ติดตามกิจกรรมของวัดเนี่ยศรัทธาเพิ่มหรือศรัทธาถอยอย่างนั้น<ช>ไหมคะใช่แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันมีอ่ค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องใช้อย่างสมมุติคนมาวัดแล้วก็อค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันเป็นโอเวอร์เฮดเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางวัดต้องรับผิดชอบทั้งนั้นถามว่าเออวัดจะจ ะ, จะรับผิดชอบอย่างไรใช่ไหมข่าวการอ่า ช่วยค่าพิมพ์หนังสือสมพิมพ์หนังสืออย่างเงี้ยพิมหนังสือเล่มหนึ่งคุณอช่วยค่าพิมพ์หนังสือสักหน่อยต้นทุนเท่านี้คุณจะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ต้นทุนเท่านี้มันก็ช่วยเป็นการช่วยเหลือกันไป่มาว่าอย่างนี้ีนี้ถามว่าเขาจะทําในรูปแบบไหนเนี่ยคนภายนอกมันต้องใช้วิจัยณันยนิดนึงเราต้องฉลาดในวาฒนธรของเราค่ะสิตขอ ง, ของเราอย่าให้มีความโกรธอย่าให้มีความริษยาอย่าให้มีความผูกโกรธเด็ดขาดค่ะก็เอาเป็นว่า ได้คําตอบนะคะเข้าใจว่าได้เป็นหลักการด้วยสําหรับการไปพิจารณาหลายๆเรื่องความรู้ที่ได้ในวันนี้นอกเหนือจากการที่จะพิจารณาว่าควรจะทําอาชีพอย่างไรหรือไม่คือดูโดยที่เจตนาว่าเป็นกุศลเจตนาหรือเปล่าหรือว่าเป็นอกุศลเจตนานะคะอาจจะตัดสินกันอย่างนี้อีกกรณีประการหนึ่งสาหรับเรื่องว่านธอหลิวตะมาก็สมัยเด็กๆชอบดูเหมือนกันนะ พอเรามาเป็นพระเนี่ยเราก็มาพบว่าเฮ้การพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติให้ออกกําลังกายอย่างไรบ้างนะมาใส่ไปค้นคว้าเพราะว่าการเล่นกังฟูอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการออกกําลังกายก็ได้นะค่ะเนี่ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติอไม่ได้บัญญัติว่าให้พระออกกําลังกายหรืออะไรให้ให้ให้บอกว่าเพียงแต่เพียงเผาการกิเลสไเฉยอันนี้การออกกําลังกายของพระเนี่ยที่อ่ที่เห็นว่าพระพุทธเจ้าอาจจะพออ้อมแอมได้ก็คือการให้เดิน พระเาบอกว่าเมื่อเดินแล้วเนี่ยเธอจะเป็นผู้ที่สามารถอดทนต่อการเดินทางไกลาอาหารที่กินแล้วจะย่อยได้ย่อยได้สะดวกแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีอายุยืนได้และมันน่าจะเป็นการเดินในเรื่องการอาอกกาลังกายจาังค่ะก็ไม่แน่นะคะสําหรับเหตุผลของวัดที่มีวิทยายุทธ์ในการต่อสู้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนวัดไม่ได้อยูง่ง่าย อาจจะต้องมีความแข็งแรงมีความว่องไวเพื่อที่จะทำให้สามารถดำรงในการที่จะเผยแผ่ธรรมะต่อไปได้ก็เป็นไปได้ไดอันนี้เราก็เปิดกว้างเอาไว้ไค่ ะ, ะในส่วนนี้คงจะต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านอาจารย์แต่ว่าถ้าอาจารย์ยังเพิ่มไปไหนนะคะเพราะว่าวันนี้ท่านยังมีเวลาที่จะอธิบายขายายความเรื่องร้อยแปตถาคตภาสิทธิ์ที่เรากำลังแจกอยู่ในรายการในช่วงต่อไปด้วยค่ะถามโลกตอบทรรม ท่นฟังคะตามปก ต, ติที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบทั้งปีเมื่อมาถึงช่วงท้ายจะฝากกันเอาไว้ด้วยพุทธประวัติจากพระโอษฐ์พระพุทธองค์ตรัสเล่าประวัติของพระองค์ด้วยพระองค์เองแต่เนื่องจากว่าเราก็ได้อ่านกันจนจบไปแล้วอย่างไรก็ตามมีของล้ำค่าที่จะฝากไว้เช่นกันคือคาสอนของพระพุทธองค์ในส่วนที่มีการคัดปรองมา เป็นบทสั้นๆเพื่อที่จะใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์ไยบุญอภิปุลโนดิฉันก็ได้รับเมตตาจากท่านเอามาแจกให้กับท่านผู้ฟังเป็นสคสปีใหม่ซึ่งเป็นแผ่นพับกระทัดรัดขนาดประมาณฝ่ามือใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้ไว้พวกอ่านเพื่อพิจารณาไครครวนในธรรม เพื่อความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปค่ะวันนี้ก็คงต้องน้มสักการให้ท่าอาจารย์ไพบูลนะคะช่วยที่จะมาขยายความอีกสําหรับเรื่องพวกนี้เราพูดเรื่องค่อนข้างจะฉูดฉาดมากเลยนะคะวันนี้มาส่งท้ายด้วยการปฏิบัติดีไหมคะใช่ใชวันนี้จะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติพ่อนาะสักเล็กน้อยคือข้อที่6พกพระเจ้า ต, ตรัสว่าเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง ในบรรดากายทั้งหลายแค่นี้เองจันมากนะคะจันมากเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและแลมหายใจออกว่าเป็นกายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายทำไมวุฒิชาติถึงเกาดอย่างนี้ค่ะเพราะว่ากายทั้งหลายมันมีหลายส่วนหลายอย่างที่วรฒิชาติอธิบายโดยเนกปริยายตับม้ามหัวใจใส้ใหญ่เส้นน้อยลําไส้กับอาหารไม่อาหารเก่านี่เป็นกายหมดะหนะแขนขากระดูกที่โครงผิวหนังตางๆเป็นกายหมด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 เพรนั้นเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเยให้เราเห็นตามที่เป็นจริงมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นการดี ulous. แล้วอันนี้ยังไปสอดคล้องกับเรื่องของสมาสมาธิที่พูดถึงเรื่องของฌานสี่พระพุเจ้าเนี่ยพูดถึงเรื่องสมาสมาธิคือหยุดที่ฌานสี่ตลอดเพราะว่าฌานสี่เนี่ยจะเป็นฌานสุดท้ายที่ยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันละเอียดอยู่เพราะฉะนั้นพระุทเจ้าตรัสว่า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 และสวัสดีท่านฟังทุกท่านค่ะ